ระหว่างที่จ้องตะลึงงานกันอยู่ด้วยเลือดในกายที่แทบจะจับเป็นก้อนแข็งฝูงข้างข่าวตัวเขื่องเขื่องพากันบินพลั้งพลูออกมาจากส่วนลึกอันมืดมิดของคูหาถ้ำเฉียดโฉบศีรษะไปพึบพับนับไม่ถ้วนพวกมันจะตกใจจากกำปนาสเสียงคำรนที่ดังขึ้นอย่างลึกลับเมื่อครู่นี้ทำให้เกิดอาการแตกตื่นหรือจะเป็นเพราะเวลาโพล่เพลใกล้ค่าซึ่งเป็นเวลาออกท่องเที่ยวหากินก็ไม่อาจบอกได้ แสงสรวลางของสนธยาการศาสตร์ลอดปากถ้ำเข้าไปจับอยู่ที่ร่างนั้นทำให้ปากกดเงาและเลื่อมชวนให้ขนลุกและบัด น, นี้บางสิ่งบางอย่างยึดลิ้นของทุกคนไว้ทำให้พากันเป็นใบ้เบื่อพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะนอกจากหัวใจที่เต้นแรงพระเจ้าเสียงใครคนหนึ่งคลางขึ้นมาแทบไม่มีเสียงมันคืออะไรกันนั่นรับพินชักมีดโบวีออกมาจากฝักข้างเอวเดินเข้าไปจนชิดร่างนั้นขณะที่เขาเข้าไปยืนเทียบระดับศีรษะ ของจอมพานยังไม่ถึงสันหลังส่วนตะโพกของภาพที่เห็นนิ่งแข็งนั้นเอาสันมีดกรีดให้ทุกคนดูเสียงเหล็กสัมผัสกับหินแกร่งดังกล่าหินชา ย, ยันร้องออกมาลั่นและพิษตาต่อมาทั้งหมดก็เคลื่อนตรงเข้าไปรายล้อมก้อนหินอันมีรูปร่างพิสดาปรปะลาดล้ำนั้นจ้องดูในระยะใกล้ตาไม่กระพิษ เห็นจริงๆนั่นแหละมันเป็นเสือหินดารินอุทานเสียงลั่นอะไรกันนี่แปลกเหลือเกินหินทั้งก้อนทําไมถึงมีลักษณะเป็นรูปเสือชัดเจนอย่างนี้ยังกับมีใครมาสลักไว้อย่างนั้นแหละมาเรีย ก, กระดึกน้ําลายลงคออย่างยากเย็นขณะที่แงนมองอย่างพินิจไปยังส่วนศรีรษะที่สูงเฉื่อมแล้วพูดเหมือนกระซิบเชิฐาเอื้อมมือมาจับสัมผัสที่ส่วนขาแล้วเม้มริมฝีปากแน่นต่างพาการลงงวยไปหมดผานใหญ่บอกเรียบๆว่า ตอนที่โผล่เข้ามาพบมันครั้งแรกผมก็แทบช็อกเหมือนกันเกือบจะเหนียวไกลปืนแล้วแต่เห็นมันมีลักษณะแข็งๆอย่างไรพิกนพอจ้องก็เห็นชัดว่าที่แท้มันเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นแต่ทำไมถึงลักษณะรูปร่างเหมือนไอเสือแมลงผู้ตัวนั้ น, น, นราวกับแกะอย่างนี้ก็ไม่รู้ยังไงกันนี่ ก็เราได้ยินไอ้มหาการนั่นคำรามสะเทือนไปทั้งภูเขาแล้วให้ฟ้าผ่าเถอะเสียงมันดังออกมาจากถ้านี่แหละชา ย, ยันร้องครับผมก็ได้ยินอย่างนั้นและเชื่อแน่ว่ามันจะต้องหลบอยู่ในถ้านี่แหละถึงได้ตามเข้ามาแต่แล้วก็พบกับสิ่งมหศัศจรรย์นี่เข้าแล้วเสือตัวนั้นหละ่ะไม่พบร่องรอยหรือผมตรวจดูอย่างละเอียดดีที่สุดแล้วครับไม่มีวิเววของเสือตัวนั้นหรือสัตว์อะไรเลยนอกจากทั้งข่าวชา ย, ยันคนเดียวที่เงียบกริบสีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยปริศนา เขาเดินบนเวียนพิจารณาก้อนหินประหลาดอันเป็นรูปเสือใหญ่นั้นไปรอบๆแล้วมาหยุดยืนอยู่ข้างพานใหญ่ทางด้านศีรษะของมันซึ่งหันเบือนออกไปทางหน้าปากถ้ำถ้าไม่ใช่ก้อนหินเสยอย่างเดียวผมก็กล้าที่จะสาบานได้ว่าไอ้ตัวนี้แหละที่กระโจนเข้าตะคุบผมเมื่อบ่ายนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือขนาดของมันทุกคนได้ยินคาพูดของเชื้าเย็นจากเส้นผมไปจนถึงปลายเท้าผานใหญ่ยิ้มปลาบๆ แต่เราก็เห็นอยู่กับตาแล้วมันเป็นก้อนหินแน่นอนครับคุณชายใช่ผมก็เห็นว่ามันคือหินแต่ถ้าเป็นหินที่ปรากฏเป็นรูปกร่างขึ้นเองได้โดยธรรมชาติมันก็เป็นก้อนหินที่มหัศจรรย์ที่สุดในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นหินที่มนุษย์ยุคใดยุคหนึ่งแกะสลักขึ้นมามันเป็นเรื่องแปลกพิสดารพอดูกันใครเป็นคนแกะสลักขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงคำรามเกือก้องเมื่อตะกี้มาจากไหน ต่างมองหน้าดูกันเองคึงขังไปแสงสว่างเริ่มหมดสิ้นลงไปทุกทีชัยันขีดไลเตอร์ขึ้นสองดูในระยะใกล้แล้วลนเปลวไฟสัมผัสกับบริเวณอันเป็นช่วงขาหลังเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามากไปกว่าเอาไปลนก้อนหินธรรมดาแกคงไม่หมายความถึงว่าไอ้เสือหินตัวนี้คำรามขึ้นได้นะอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดเหมือนกระซิบราชกส ก, กุลหนุ่มหัวหน้าคณะยักไหลยิ้มแแค้นฉันก็ภาวนาข อ, อ ย, ายให ก้อนหินก้อนนี้คำรามขึ้นได้เลยแล้วเขาก็หันไปทางพลานใหญ่บางทีไอ้ดำปลอดอาจหนีหลบเข้าไปในซอกลึกของถ้านี้ก็ได้อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของมันหรือมิฉะนั้นก็มีทางทะลุกออกไปที่อื่นได้อีกผมก็อยากจะเข้าใจเช่นนั้นเหมือนกันจอม่านว่าแล้วบุ้ยปากเข้าไปในถ้อันมืดมิด แต่สังเกตนั่นสิครับบริเวณถัดเข้าไปนั่นพื้นเป็นขี้ั้าขคาวอ่อนยุ่ยทั้งนั้นถ้ามันเข้าไปในส่วนลึกของถ้ารอยตีนของมันจะต้องปรากฏให้เห็นชัดทีเดียวแต่นี่ไม่มีเลยบางทีอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่ามันคํารามอยู่ที่อื่นแต่เสียงมันสะท้อนกล้องเข้ามาในนี้ทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่ามันร้องอยู่ในนี้แต่เสียงที่เราได้ยินมันใกล้หรือเกินนี่ไม่ได้ห่างออกไปเลยดาวรินแย้งโดยเร็วเขาหน้าหวาดหวั่นพันทึงใจจนสุดที่จะบรรยายได้ เสียงสะท้อนมันอาจลวงหูเราได้เป็นคําตอบอย่างไม่สอยหเห็นถึงความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นมาเรียสำรวจหินประหลาดก้อนนั้นอย่างถี่ถ้วนด้วยความรู้ทางธรณีวิทยาหล่อนพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วบอกมาด้วยน้าเสียงไม่สบายใจนักว่าธรรมชาติจะไม่สามารถปั้นหินก้อนนั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างชัดเจนได้ถึงเพียงนี้ลักษณะเท่าที่เห็นเชื่อแน่ว่ามันจะต้องถูกแกะสลักขึ้นแน่นอน มันยิ่งเป็นปัญหาให้เราต้องปวดสมองคิดว่าใครสลักมันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างที่พี่ใหญ่ว่าตะกี้นี่แหละเท่าที่สังเกตดูเนื้อหินนี่มันเป็นหินในแถบภูเขาไฟอายุไม่ต่ำกว่าห้า0 0ื่นปีโดงแถบนี้ก็มองไม่เห็นร่องรอยว่าจะมีภูเขาไฟมาก่อนเลยหรืออาจจะมีแต่ยุบหายไปหมดเขาให้เห็นแล้วก็ได้ลักษณะของมันติดกับหินภูเขาทุกก้อนในทุกบริเวณนี้ ถ้ามันจะไม่ชอบยังไงซะแล้วละ่ะฮะชายยันพื้นพรมอย่างสะบัดร้อนสะบัดหนาวพวกพานพื้นเมืองไม่มีใครกล่าวคำใดเลยแต่สังเกตไดจากสีหน้าอาการว่าตกอยู่ในความพนใจขวันเสียขนาดหนักดารินเองก็ถอยห่างออกไปอย่างหวัดวัดหล่อนอยากจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอากาศยิ่งมืดลงไปทุกทีอย่างรวดเร็วขณะนั้นทุกคนเห็นรับพินภัยวันก้มลงดึงเชือกผูกรองเท้า ออกมาจากรองเท้าที่สวมอยู่ขึงวัดเส้นรอบวงของอุ้งเท้าหน้าของเสือหินทั้งสองข้างที่เหยียบยืนอยู่บนก้อนหินแล้วทําเครื่องหมายไว้จากนั้นก็เงยขึ้นบอกทึบเรียบว่ากลับที่พักกันก่อนเถอะครับมืดเต็มทีแล้วไฟฟืนเราก็ไม่ได้ติดตัวมาด้วยพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันใหม่ทั้งหมดพากันถอยออกจากปากถ้ำนั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกระหว่างที่เดินแข่งกับเวลาบ่ายหน้ากลับที่พักบุญคําก็เบียดเข้ามากระซิบเบาๆที่สุด นายเชื่อบุญคำไหมอะไรนั่นมันไม่ใช่ก้อนหินอย่างที่เราเห็นแล้วบุญคำว่ามันเป็นอะไรมันละไอมาหากาลที่โดดเข้าเล่นงานในใหญ่เมื่อบ่ายแล้วก็มากินน้ําที่แองมั่วแล้วคํารามขึ้นถ้าเหนื่อยมากจิตใจไม่ดีคืนนี้ก็นอนพักสัเถอะไม่ต้องอยู่ยามหรอกโธนี่นายเห็นว่าบุญคำเสียสติไปแล้วหรือฉันรู้ว่าบุญคำเหนื่อยมากจิตใจก็ไม่ปกติ พวกเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทำใจให้เข้มแข็งและจงมีเหตุผลถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อย่าพยายามคิดลืมมันเสียดีกว่าบุญคำถอนหายใจเฮือกกระซิบกระซาบต่อมานายเคยได้ยินคำว่าสมิ่นพลายมาก่อนไหมไม่เคยถ้าเป็นเสือสมิ่นก็คือวิญ ญ, ญาณตายโหงจากคนที่มันฆ่ากินมามากๆเข้าสิงทำให้เห็นรูปร่างต่างๆได้ในเวลาออกหายละเหยื่อเพื่อให้หลงเข้าใจผิด นั่นมันไม่ยากนะักนายเองก็เคยปราบมาเส้นับไม่ถ้วนอย่างไอ้ ก, กุดหรือไอ้ตัวอื่นๆแต่ถ้าสมิงพลายมันไปอีกอย่างหนึ่งจอมพานขมวดคิ้วถามเรื่อยๆอย่างไม่สนใจออมเสียงสนทนาให้ได้ยินกันเพียงสองคนมันเป็นยังไงมันเป็นวิญญาณที่ผูกด้วยอาคมหรือไม่ก็เป็น ลัติยามน์อันแรงบลิกอาถรรพ์ที่สุดเชื่อมโยงระหว่างเสือกับคนเป็นสิ่งที่ผูก ข, ขึ้นด้วยสายเวทเหมือนเหมือนกับภวายธนูนายคงเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วควายธนูปั้นด้วยขี้ผึ้งตัวเล็กนิดเดียวพอเสกด้วยเวทมนต์เอาวิญญาณของควายป่าเข้าสิงเท่านั้นมันก็บันดาลเป็นควายตัวใหญ่มามาไล่ขิดทุกอย่างวอดวายพินาศเสียงสนทนาได้ยินเพียงสองต่อสองมันเป็นยังไง ไปตามแต่เจ้าของจะใช้สมิงพายก็อย่างเดียวกับควายธนูนายไม่คิดบ้างหรือว่าเมื่ออาคมหรือวิญญาณร้ายเข้าสิงไอ้เสือหินตัวนั้นจะไม่กลายมาเป็นเสือที่มีชีวิตคอยจ้องที่จะล่าพวกเราได้อย่างที่พบกันมาแล้วแต่ถ้าถอนวิญญาณออกมันก็กลับเป็นท่อนหินแขน็งขึ้ปราศจากชีวิต ไอ้วิญญาณร้ายที่สิงเสือนั้นจะต้องรู้แน่ว่ามันจวนตัวเต็มทีขณะที่นายไล่กระชั้นเข้าไปก็เลยถอยหนีออกทิ้งร่างเสือให้กลายเป็นหินจอมผ่านหัวเราะออกมาเบาๆผิดกับแววตาจริงจังทุกร้อนของบุญคำในขณะนี้สมมุติว่าถ้าเป็นอย่างบุญคำว่าเราจะแก้ไขกันยังไง ต้องแก้อาถรรพ์กันอย่าให้วิญญาณเข้ามาสิงร่างเสือหินได้อีกแล้วจะไม่ให้มีเสือตัวไหนมาจ้องรังควานนายอีกต่อจากนั้นก็ต้องค้นให้ได้ว่าวิญญาณนั้นสิงอยู่ในร่างไหนฆ่ามันให้ได้นั่นสิแก้อาถรรพ์ของบุญคานะแก้ยังไงแกอึกอักอยู่ในลำคอชำเลืองไปยังคณะพักทุกคนที่เดินกันอยู่ข้างหน้าโดยมีผานใหญ่กับแกล้างท้ายอยู่เพียงสองคน บุญคำไม่เคยพบกับสมิงพายสักทีเคยได้ยินอาจารย์ที่เป็นพระทุดงพระม่าเล่าให้ฟังแรกบุญคำก็ไม่อยากเชื่อแต่มาเห็นเข้าอย่างนี้ทําให้บุญคำแน่ใจว่าที่อาจารย์บอกไว้น่าจะจริงซะแล้วท่านบอกว่าถ้าเข้าป่าใหญ่พบสัตว์ร้ายอะไรที่มีลักษณะเหมือนก้อนหินและสงสัยว่ามันอาจกลับร่างมาเป็นสิ่งมีชีวิตจ้องทําลายเราทีหลังก็จงกั้นอย่าให้วิญญาณร้ายเข้าสิ่งมันได้อีกสิ่งที่จะใช้แก้อาถรรพ์นั้นก็คือเสียงแกเบาลงไปอีก ให้เอาผ้าประจำเดือนของผู้หญิงผูกคอมันไว้เสียวิญญาณจะเข้าร่างหินไม่ได้และพิมพ์ภัยวันแทบสำลักชะ ง, งักกึกลงในทันทีจ้องหน้าบุญคําตาโตทั้งสองก็เลยยืนอยู่ด้วยกันตรงนั้นชั่วขณะเขาหน้าของพานใหญ่ปั้นยากที่สุดเลหลวไหลหน้าบุญคําโท่แกลกลางทาหน้าเหมือนจะร้องไห้ทําไมนะนายถึงไม่ยอมเชื่อบุญคำเสีบ้างลองดูเป็นรายเชียวอาจารย์ของบุญคําพูดไว้จิตไม่ผิดใช่ไหมไม่เหลือบา ก, กว่าแรงสักนิด ยังไม่มีอะไรมายืนยันให้เราแน่ใจได้เลยว่าไอ้หินก้อนนั้นก็คือเสือใหญ่ที่ตามรังควานเราอยู่และมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อไปซะไม่ได้นายจะรอให้แน่ใจอีตอนมันกระโจนเข้าขบหัวพวกเราคนใดคนหนึ่งซะก่อนงั้นหรือจอมพานกระพริบตาปิดๆเขาหน้าปั้นยากอยู่เช่นนั้น แล้วเราจะไปเอาผ้าประจําเรือนผู้หญิงมาจากไหนบุญคําขยับปากแต่แล้วก็ไม่มีคําพูดผ่านออกมานอกจากทําริมฝีปากบิดชําเรืองตามหลังคณะนายจ้างที่เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วพิงก็พูดไม่เต็มปากต่อว่าบุญคํากล้าไหมล่ะไปขอเอาจากนายผู้หญิงหรือนายแหนมคนใดคนหนึ่งถ้าหากเขามีสิ่งที่บุญคําต้องการต่ผ่านเท่าตาเหลือนายจะหาเรื่องให้บุญคาถูกกระทึก อ๋อรู้ตัวอยู่เหมือนกันเหรอเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วแลงับความคิดอันนี้ไว้ซะแล้วไม่ต้องพูดอะไรพาดพิงไปถึงเสือหินตัวนั้นให้ในายจ้างของเราทุกคนได้ยินอีกเฉยๆไว้นี่นายไม่ยอมเชื่อบุญคําเลยหรือแกพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังในละความพยายามเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วบุญคําในที่สุดเขาก็พูดเรื่อยๆดึงแขนแกให้ออกเดินต่อเมื่อสังเกตเห็นเชิดทาเหลียวหลังกลับมามองลักษณะหยุดพูดซุบซิบของเขาอย่างสงสัย บุญคำเองก็คงจะรู้นิสัยของฉันดีอะไรที่พอจะเชื่อได้ฉันก็จะเชื่อไม่ใช่เห็นว่าบุญคำพูดเหลวไหลไปซะหมดหรอกแล้วเรื่องเสือหินถ้าบุญคำยืนยันว่าเคยพบในสิ่งที่เล่ามาให้ฟังนี่กับตาฉันก็จะเชื่อหรอกแต่นี่ได้ฟังมาอีกทีเพราะฉะนั้นให้เวลามันพิสูจน์ดีกว่าจริงอยู่สิ่งที่บุญคำแนะนําไม่เหนือบากกว่าแรงอะไรถ้ามันเป็นความจริงแต่ถ้าไม่จริงบุญคำก็ขายฉันเซตเท่านั้น แต่ผ่านเท่าแห่งเขาอึมคืมผู้แก่อาคมก็สงบปากสงบคำไปในบัดนั้นเขาหน้าสอแวววิตกกังวลอยู่ภายในคนเดียวท่าทางแกประหวัติท่านพึงใจมากไปกว่าทุกครั้งซึ่งละพินก็รับว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตผจญภัยร่วมกันมาเขาไม่เคยเห็นผ่านคู่ใจตกอยู่ในอาการเช่นนี้มาก่อน ข้ามกลางเปล่าพายอันขมุขขมัวพบค่ำนั้นกลุ่มของพวกที่เดินล่วงหน้าไปถึงบริเวณแคมป์ก่อนพากันร้องอะไรเอะอะแซดเป็นหมดฟังไม่ได้สับรับผิีนใจหายว่าลืมว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเพ่นเต็มฝีเท้าห่อแนวเข้ามาโดยเร็วเห็นพระพวกทุกคนกําลังมุงล้อมอยู่ที่พื้นตอนหนึ่งเบื้องหน้าบริเวณที่ปูผ้าพลาสติกไว้สําหรับรองนอนพอเขาพูดเข้าไปก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจเก้มันมาจากไหนนี่ ก็ไม่รู้เหมือนกันจู่ๆกลับมาถึงแคมป์ก็เห็นมันถูกวางอยู่ตรงนี้แหละเชิฐ้าบอกตื่นๆท่ามกลางเสียงจ๊กแจ๊กของพวกรุ่งหาบที่พากันกวาดสายตาไปรอบๆเสยก้มลงสำรวจที่ซ่ากเก้งหนุ่มเขา ง, งามตัวนั้นแล้วบอกว่าตัวยังอ่อนอยู่เลยนายมีรอยมีดเชือดคอจริงตามเสยบอกเก้งตัวนั้นมีรอยถูก มีเชื้อคอครบสมบริบูรณษทั้งตัวโดยไม่มีส่วนไหนขาดหายชํารุดไปตัวก็ยังอ่อนแสดงว่าเพิ่งตายไม่นานนักรับพินเบนปากแน่นใครเห็นก่อนเป็นคนแรกก็เห็นพร้อมๆกันนี่แหละพอเดินใกล้เข้ามาเห็นอะไรกองตะกุ่มทุกมอยู่หน้าแคมป์ทีแรกก็นึกว่าก้อนหินพอใกล้เข้ามาเห็นว่ามันเป็นแก้งชายันเป็นคนตอบไม่เห็นวิวแววหรือร่องรอยอะไรบ้างเลยครับก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติสักอย่างนอกจากแก้งมาวางอยู่ตรงนี้เงียบๆอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นมันก็มาเร็วมากเหลือเกินช่วยระยะเวลาเพียงแค่เราค้อยหลังไปไม่ถึง15นาทีนี่เองเขาพึ่งพัมแล้วผาาไปเดินสำรวจข้าวของสัมภาระที่กองอยู่ช่วยกันตรวจดูสิครับมีของอะไรของเราหายไปบ้างหรือเปล่าทุกคนตรงเข้าไปช่วยตรวจของแต่ก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิม บอกศิลปินนี่มันแปลว่าอะไรแงซ า, ายหรือเปล่าที่ย่องเอาเก้งตัวนี้มาทิ้งไว้ให้ขณะที่พวกเราขึ้นไปบนถ้าโน้นดาวรินร้องถามมาอยา่างกระสับกระส่ายร้อนใจระคนปิติไม่มีข้อสันทานอย่างอื่นแงซ า, ายหรืออะไรชนิดหนึ่งที่สิงอยู่ในแงซ า, ายรู้ดีว่าพวกเรากําลังอดอาหารจึงหาทางช่วยยืดชีวิตให้แบบเดียวกับที่เอาน้ํามาตั้งไว้เมื่อเที่ยงนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนที่ได้ประทางตายไปอีกอย่างน้อยก็สองมือ้อจากเนื้อแก้งตัวนี้ คณะน า, ายจ้างนิ่งงันไปด้วยความตันใจในปรากฏการณ์ทางดีที่เกิดขึ้นผ่านใหญ่ไม่กล่าวอะไรอีกสั่งให้เสกับเกิดลากเอาเก้งตัวนั้นไปถลกหนังชั่มแหลกออกทุกคนกําลังต้องการเนื้อสดอาหารมือเย็นที่ผ่านไปแล้วด้วยเครื่องกระป๋องก็กินกันอย่างกระเบียดกระเสียดเพื่อประทังความหิวเท่านั้นการได้เนื้อสดมาเพิ่มโดยไม่คาดฝันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนยินดียิ่ง และสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนก็คือแงนสายไม่ได้ห่างไกลออกไปเลยคงวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เคียงกับคณะเดินทางทุกระยะระหว่างที่คณะนายจ้างปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับพฤติการของแงนสายรับผินไม่สนใจคว้าไฟฉายได้ก็เดินย้อนกลับมายัางแอ่งน้ําม่วงที่ปรากฏรอยตีนเสือใหญ่ประทับเท้าคู่หน้าอยู่ตรงหินอ่อนแล้วเอาเชือกผูกรองเท้าที่วัดทําหมายไว้กับเท้าของเสือหินอันพบในถ้ำหยกๆนี้ขระมดเป็นเส้นรอบปงุงกะหาขนาดเปรียบเทียบ เท่ากันไหมเสียงแผ่วเบาเป็นภาษาอังกฤษดังมาจากเบื้องหลังไม่ต้องหันไปเขาก็รู้ว่าเป็นมาเรียหล่อนเดิมตามเข้ามาเพียงคนเดียวก่อนที่จะตอบเช่นไรแบมบสาวก็เดินอ้อมมาเบื้องหน้าใช้ไฟฉายของหล่อนอีกดวงหนึ่งสองลงมายังบริเวณรอยตีนเสือที่ยังมีเชือกผูกรองเท้าของรับพินท่าบวดอยู่ถ้าไอ้นั่นไม่ใช่ก้อนหินผมก็อยากจะพูดว่ามันเป็นตัวเดียวกัน ฉันสังเกตเห็นคุณถอดเชือกผูกรองเท้าออกมาวัดขนาดรอยตีนของเจ้าเสือหินที่เราพบในถ้ํานั้นก็พอจะเดาถูกว่าคุณคงต้องการเอามาเปรียบเทียบกับที่มันเหยียบไว้ที่นี่แต่จะไม่เป็นการพยายามทําอะไรที่ขาดเหตุผลไปหน่อยหรือภายวันขาดเหตุผลในข้อไหนก็รู้อยู่แล้วว่าเสือตัวไหนก็ตามที่มาหมอบกินน้ําอยู่ตรงนี้มันเป็นสัตว์มีชีวิตแต่ที่เราไปพบบนโน้นอะ่ะมันเป็นก้อนหินจะเอามาเปรียบเทียบกันทําไมให้เสียเวลา หลอนพูดยิ้มยิ้มตาสีมรกตแลดูเขาด้วยประกายขบขันและคนสมเพศแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยไมเตีและสนิทชิดเชื้อกันเป็นกันเองอย่างที่เขาเคยได้รับมาแต่ไหนแต่ไรจากภรรยาสาวสวยของอดีตนายจ้างผู้บตดนี้หาชีวิตไม่แล้วและพิมยิ้มก้างๆคงสุดตัวคุกเข่าทอดสายตามองดูรอยตีนเสืออยู่เช่นนั้น ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมผมถึงต้องทำแบบนี้บางขณะผมเองก็ไม่มีเหตุผลว่าแต่คุณเถอะรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าผมจะบอกว่าสมมุติเราหักขาหน้าของเสือหินตัวนั้นมาได้เอามาประทับรอยลงมาตรงนี้เราจะได้ขนาดรอยเดียวกันพอดีมาเลียทำหน้าเรื่รียนห่อไหลลงนิดนึงมันเป็นการบังเอิญภัยวันแต่ถึงอย่างไรโดยคาบอกเล่าของคุณนี่มันทาให้ฉันไม่สู้จะตอโตงนะัก ฉันมาขอบใจคุณอีกครั้งที่ช่วยเหลือหาน้ำมาให้ฉันเมื่อเที่ยงนี้ตอนที่หมดสติไปถ้าไม่ได้น้ำกระ บ, บอกมันฉันคงตายไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเลยและไม่เพียงแต่ผมเท่านั้นพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยเหลือคุณทั้งนั้นได้บรรดาพวกเราทุกคนที่มาด้วยกันถ้าไม่มีการช่วยเหลือกันสักอย่างเดียวเราทั้งหมดก็ไม่มีทางไปรอดได้แม้แต่ผมเองอก็อาจจะจริงนะ ร่อนพูดห น, หนักในลำคอพร้อมกันก็กระชากจุดสีห้าโคสิงเกิลแอคชั่นที่อยู่ในสองข้างเอวขึ้นมาและพิพตานั้นเองมันก็แผดระเบิดขึ้นกึกก้องเปลวไฟอันแดงชานแลบผ่านไหลซ้ายของละพินผู้กำลังคุกเข่าอยู่ หูลั่นกลิ่งแทบจะแก้วหูแตกเพราะปากลํากล้องปืนหางเขาไม่ถึงศอกจอมพานทะลึ่งพูดด้วยความตกใจและเดาวอะไรไม่ถูกเท่าเ่ากับที่ทุกคนในแคมป์อันไม่ห่างออกไปนักก็สนกกันไปหมดหันขวับมาเป็นตาเดียวเขากําลังจะระเบิดเสียงผนึกสวานเกลียวกลัดออกมาว่านี่หลอนบ้าดีเดือดอะไรขึ้นมาหรือก็พอดีหันไปพบกับอะไรอีกบางอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งบัดนี้ไฟฉายในมือของมาเรียสองจับอยู่เก็จของมันเป็นเงาดําวับ กระทบแสงไฟราวกับนินลำตัวยาวประมาณวาเษดอกจันที่ก้านคอเป็นรูปเกือบม้าสีขาวนวลเห็นได้อย่างถนัดแต่สีสษะถูกเด็ดขาดหายไปทางไหนก็ไม่รู้เหลือแต่เนื้อกุดด้วนสีแดงและหลังพลาดไปด้วยเลือดมูเห่าหม้อ ก่อนที่ปืนในมือของมาเรย์จะระเบิดขึ้นมันคงจะต้องชูแม่เบี้ยอยู่ห่างจากสัมหลังของเขาไม่กี่คืบเท่านั้นและไม่แน่ใจว่ามันจะฉกลงมาเสื้อเดินป่าแบบเบาบางสำหรับใช้สวมใส่ในตอนกลางวันของเขาจะา ก, การเขี้ยวอันแหลมของมันไว้ได้หรือไม่ขณะนี้มันบิดม้วนเป็นเกลียวอย่างน่าขยะแขยง ทีแรกฉันนึกว่ากิ่งไม้มาเอะใจตอนที่มันค่อยๆชูหัวขึ้นข้างหลังคุณแหมสาวบอกเรียบๆ เ, เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกับพี่ทุกคนวิ่งพูเข้ามาพร้อมกับถามแซดไม่ต้องมีคำอธิบายใดเมื่อต่างมองเห็นงู เห่าตัวนั้นถูกยิงหัวเละดิ้นพันอยู่กับพื้นดินไม่จําเป็นต้องขอบใจฉันหรอกมาเรกัสิปหน้าตาเฉลีต่อมาขณะที่เขายังยืนตะลึงอยู่แล้วก็เดินผ่าสวนกลับไปยังแคมป์ก่อนที่คนอื่นๆจะทันเอ่ยถามอะไรขึ้นมาและพินเป่าลมออกจากปากนึกขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดลใจให้มาเรียเดินตามเขามาด้วยและช่วยยิงสกัดไว้ได้ทันก่อนที่มันจะแอบเข้ามาฝังเขี้ยวทางเบื้องหลังเป็นยังไงกันบ้างทันฉกหรือเปล่า ชา ย, ยันถามอย่างเป็นห่วงทันทีที่ล่นเข้ามาถึงและมองเห็นก็อีกนิดเดียวเท่านั้นล่ะครับเมตาวัยเหลือเกินดารินจ้องที่ศีรษะอันแหลกย้อยยับของอสรพิษร้ายแล้วมองตามหลังเพื่อนสาวไปด้วยความรู้สึกแปลกๆปึงพังกับตนเองเบาที่สุดหืมถ่อมตัวซ่อนคมนักนะไหนว่าไม่ชํานาญปืนสั้นยังไงล่ะแล้วต่างก็เดินกลับเข้าบริเวณแคมป์เหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสนใจกับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆ น, นั้นเพราะเคยชินกันมาม า, มากแล้ว สภาพของท้ำคืนนี้มันทวีความร้ายกาจหนักไปกว่าทุกคืนที่ผ่านกันมาแล้วเริ่มด้วยยามกลางวันที่แสนจะระ อ, อุอ้าวร้อนราวกับอยู่ในเตานรก พอหมดแสงตะวันความหนาวเย็นก็ถู่โจมเข้ามาอย่างรวดเร็วจนแทบปรับร่างกายรับไม่ทันเพียงขนาดหัวค่ําอยู่เท่านั้นทุกคนก็ต้องอาศัยไออุ่นของกองไฟเป็นที่พึ่งแล้วในความรู้สึกของทุกคนยามนี้พ้นจากแนวกองไฟที่ก่อล้อมไว้ออกไปเพียงกระเบียดเดียวก็ล้วนเป็นแดนมหาภายัยซึ่งอันตรายเตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้ามาราวีได้ทุกขณะชนิดที่ทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ไม่ถูกถึงแม้จะใจกลางแคมป์ที่ต่างหันหน้านอน เอาศีรษะชนกันในขณะนี้ก็ตามไม่เป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าชีวิตของใครจะไม่ปิดโปลงลงจากมรตยูทที่กำหนดไม่ได้ เพีแต่กำหนดเวียนยามแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องซักซ้อมอะไรอีกทั้งสิ้นเพราะต่างตระหนักในหน้าที่และสภาพแวดล้อมดีอยู่แล้วความ er อ่อนเพียอิดโรยทําให้ทุกคนเคร่งขืนสับปัญหาที่สุมอยู่ในสมองก็ทําให้มึนงงสุดที่จะมาขบคิดอยู่ได้นอกจากพวกเฝ้ายามแล้วทุกคนพอศีรษะถึงพื้นก็หลับเป็นตายในทันทีไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดหรือหวาดหวั่นพันผึ่งกับสับไพใดๆอีกแล้วนอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับโชคชะตาราศีของตนเอง อาจมีดาวรินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หลับไปทีหลังทุกคนแม้จะพยายามข่มจิตขจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกพ้นไปจากความกลิ่นเกรงกังวลในมโนภาพของหล่อนก็ยังมองเห็นอะไรอยู่สองสิ่งที่รบกวนเจตสิกศพตายซากที่เคลื่อนย้ายหายไปได้อย่างลึกลับโดยการบอกเล่าจากบันทึกของนักสํารวจชาวเดนและก้อนหินสีดําที่เป็นรูปเสือโคร่ง ม, มหึมาทั้งสองสิ่งผัดกันหลอกห้อนอยู่ในห้วงคิดอย่างยากที่จะขจัดเสียได้ เวลามันจะล่วงเลยไปสักเท่าใดไม่ทราบได้รพินรู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยการเขย่าปุกเบาๆของใครคนหนึ่งที่นอนอยู่ทางด้านขวาของเขาแล้วก็จำได้ว่าเป็นเชิฐานนั่นเองผู้นอนอยู่ทางด้านนั้น หัวหน้าคณะยังคงอยู่ในลักษณะนอนง่ายราบกับพื้นแต่ใช้ฝ่ามือซ้ายมาเขย่าเบาๆที่ต้นขาของเขาจอมพานเปิดเปิดตาอันหนักอึ้งขึ้นพยายามต่อสู้กับอำนาจงูเงียอิดโรยเรียกประสาทให้ตื่นพร้อมแล้วจับมือของนายจ้างเป็นสัญญาณบอกให้รู้โดยอาการรู้สึกตัวแล้ว ยังไม่มีอาการใดๆจากเชิดถ่ายอีกทั้งสิ้นนอกจากความเงียบสงดผานใหญ่พงกศรีะขึ้นนิดนึงอย่างเบากริบกว่าตาดูรอบๆ บ, บริเวณแคมป์อันมีแสงสรัวรางจากกองไฟที่ล้อมรอบซึ่งบัดนี้หมดเปลวนอกจากเห็นเท่าฐานคุแดงอยู่ในกองเกิดกับจันนั่งเอาภาคเขาม้าพันหัวตัวคลุมด้วยกระสอบป่านเอ็พิงอยู่กับก้อนหินข้างกองไฟคนละด้านลักษณะนั่งหลับ เขาขยับตัวจะลุกขึ้นไปเติมไฟในกองและตั้งใจปลุกคนทั้งสองให้ตื่นขึ้นระวังยามตามหน้าที่แต่แล้วก็ต้องชะงักลงอีกเพราะฝ่ามือของอดีตท่านทูตทหารบกเหนียวแคนไว้เป็นสัญญาณให้นิ่งอยู่กับที่จึงนิ่งสงบต่อไปอีกเชษฐาไม่ใช้คำพูดและพินจึงไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยถามอันใดทั้งสิ้นนอกจากใช้อาการสัมผัส ต, ต่างๆค้นหาสาเหตุเอาเองรู้สึกว่าเชษฐากาลังสะกดใจฟังอะไรอย่างหนึ่ง อึดใจทีเดียวที่ต่างคนต่างนอนลืมตาเฉยๆต่อมาหัวหน้าคณะก็ถอนใจเบาๆกระซิบขึ้นว่าหูผมฝาดไปก็ได้ปุกสองคนนั่นขึ้นเติ ม, ตมไฟแล้วนอนต่อเถอะได้ยินอะไรหรอครับรับผินถามอย่างประหลาดใจยังนอนลืมตาพงอยู่เช่นเดิมคล้ายๆพวกมโหระทึกลอยมาตามลมมีพวกกรองชนะปีในแต่สังแล้วก็คล้องคล้ายๆกับขบวนแห่พยุตแต่ยาตาของกษัตริย์ในสมัยโบราณคงฝันไปเองมากกว่า เขาจะไม่สนใจกับคำบอกเล่าชนิดนี้เลยถ้าไม่ใช่เพราะมันออกมาจากมรวเชษถาวราริศ ซ, ซึ่งรู้นิสัยและเชื่อฝีมือที่สุดในบรรดากลุ่มของคณะนายจ้างทั้งหมด อากาศอันหนาวอยู่แล้วหน้าบัดนี้รัพผินภัยวันยอมรับว่ามันเย็นลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจด้วยคำบอกเล่าประโยคนั้นและแน่ล่ะจะใช้สูตรสำเร็จเพื่อกบเกลื่อนปอกขวัญว่าหูฝาดก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนรย่างราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะเพาะเจ้าตัวก็ออกตัวอยู่ก่อนแล้วจอมพานดึงกายขึ้นนั่งกอดเข่าเชษฐาก็เลยพลอยนั่งตามด้วยรู้สึกตัวนาแล้วหรือครับ บอกไม่ถูกเหมือนกันคืนนี้หลปรับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแทบจะรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะก็ว่าได้คุณล่ะผมหลับตามปกติมันชินซะแล้วถ้าจะให้หลับก็หลับได้เสมอ ผมเองก็ฝึกได้อย่างนั้นมาทุกครั้งแต่คืนนี้มันแปลกไปอย่างไรพี่กลนทั้งที่เพลียเหลือเกินได้ยินอยู่นานไหมครับตามความรู้สึกของผมมันนานและชัดเจนจนทนกระสับกระสายฟังอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงปลุกคุณขึ้นแต่พอคุณรู้สึกตัวมันก็เงียบหายไปขณะนั้นป่าเงียบไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหรือลมพัดใบไม้ไหวประหนึ่งว่าจะถูกตัดออกจากโลกทั้งปวงอย่างหมดสิน้นยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นน้ำค้างที่ผมอยู่เปาะแปะตลอดเวลา จอมพานลุกขึ้นเดินไปขย่าปุกเกิดกับจันให้รู้สึกตัวช่วยกันใส่ฟืนเพิ่มเติมเข้าไปในกองไฟทุกตอนจนมันติดเป็นเปลวตามเดิมแล้วกลับเข้ากระจำที่ตามเดิมต่างเองกายลงนอนไม่ได้พูดอะไรกันอีกพอเคลิม้มเคลิม้มคราวนี้ถึงกับสะดุง้งเช่ฐาสกิดไหลเขาอีกครั้งแต่เห็นจะไม่ต้องสกิดบอกก็ได้เพราะกระสานหูของเขาสัมผัสได้แล้วกับเสียงขึ้นประหลาดที่ลอยมาอย่างลึกลับได้ยินไหม หัวหน้าคณะกระซิบครับได้ยินอะไรคล้ายคล้คล้องใหญ่อึดใจต่อมาก็เป็นเสียงรัวของบันดอะอันเป็นกองเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพวกพราหมณ์ใช้ขับโดยวิธีแว่งลูกตุ้มให้กระทบกับหน้ากรองทั้งสองข้างมันฟังเย็นสถานเข้าไปถึงในส่วนอย่างบอกไม่ถูกประดุดเสียงบำบวงพิธีกรรมแห่งอดีตการอันเรืองรองเสียงโคลางแทรกสลับไปกับแตสังกรองชนะ จำสำเนียงเหล่านี้แววมาไกลแสนไกลแต่ก็ถนัดชัดเจนทว่าก็แยกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงที่ลอยตามคลื่นอากาศอันมีต้นแหล่งแท้จริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากห้วงอุ ป, ปทานมุ้ยกลงวานขล้องชยัยลั่นผิวสะเทือนหัวใจมาอีก ระพินกับเชิดถาตกอยู่ในอาการเดียวกันขนลุกเกลียวเอถ้าหูฝาดผมว่ารองหูฝาดไปพร้อมๆกันกล่าวขึ้นพร้อมกับหัวเราะแผ่วเบาเหมือนจะไม่ยอมเชื่อหูตัวเองหรือไม่งั้นผมก็ได้รับอิทธิพลจากการบอกเล่าของคุณชายเมื่อกี้จนทําให้พลอยได้ยินไปอีกคนเชิดถาพลอยหัวเราะตามไปด้วยแต่เสียงของหัวหน้าคณะแปลกประาอย่างไรพี่กนถึงว่าศิหน้าผู้กองเกิดกับจันท์นั่งอยู่นั่นกําลังตื่นด้วยเรียกเข้ามาถามแก้สงสัยดีกว่าสองคนจะได้ยินเหมือนเราหรือเปล่า พานใหญ่เห็นด้วยกับคำพูดอันเต็มไปด้วยสติชาฉลาดของนายจ้างดีดนิ้วขึ้นแรงๆสองพานที่อยู่ยามสะดุ้งเหลียวขับมายังที่นอนแล้วลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาโดยเร็วเมื่อเห็นแล้วพินบกมือเรียกเราสองคนไม่ได้หลับไม่ใช่หรือใช่ถามเป็นคนถามเปล่าครับในายใหญ่เมื่อหยกหยกนี่เองได้ยินเสียงอะไรไหม เสียงอะไรทั้งสองพานย้อนถามทำหน้าตื่นเลือกรักเชิฐาขหมุดคิ้วหันไปสบตารพินอย่างแคลงใจเสียงคล้ายคล้องปีแล้วก็แตเหมือนมีขบวนแห่นะจอมพานบอกมาแทนด้วยเสียงแผ่วต่ําเกิดกับจันยิ่งงงมากขึ้นผมไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยครับนายใครที่ไหนจะมาตีคล้องเป่าปีในดงลึกกลางดึกอย่างนี้จันว่าเชิฐาโบกมึงเป็นสัญญาณให้ทั้งสองกลับไปประจําเฝ้ายามตามเดิมแล้วยิ้มปลาบๆกับพรานใหญ่ นัสินะใครที่ไหนจะมาตีของเป่าปีอยู่ในดงลึกกลางดึกอย่างนี้จริงอย่างที่จันว่าแต่ทำไมเราถึงสองคนถึงได้ยินเหมือนกันแปลกแฮะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ยอมรับว่าได้ยินอย่างที่คุณชายได้ยินทุกอย่างตอนนี้มันเงียบไปแล้วใช่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินจะว่าสองคนนั้นหลับก็ใช่ที่คุณเพิ่งไปปลุกขึ้นมาหยกๆกนี่เองตอนที่เราได้ยินครั้งหลังสุดนี่สองคนนั่นจะต้องตื่นอยู่แน่นอน รับพินเองก็อจจจัศจรรย์ใจไปหมดเช่นกันระหว่างที่ทั้งสองซุบซิบกันอยู่นั่นเองชา ย, ยันผู้นอนอยู่ริมสุดอีกด้านหนึ่งก็หยุดเสียงกรนไว้ตัวเบาๆแล้วทันทีก็ผงะศีรษะขึ้นมาลืมตาเมองเห็นเงาตะคุ่มของรับพินกับสหายของเขากําลังนั่งพูดอะไรพึ่งพํามีอะไรเสียงร้องถามนั่นเองมาเรีย ก, ก็พลอยตื่นลุกขึ้นมานั่งด้วยอีกคนเกิดอะไรขึ้นหรือคะพี่ใหญ่เปล่าไม่มีอะไรหรอกใช้ถากลบเกลื่อนแล้วพินเองตัวลงนอนเสียแต่อีกสองคนที่ตื่นขึ้นมาพบอาการ ผิดปกตินั้นเต็มไปด้วยความสงสัยไม่ยอมผ่านไปง่ายๆจ้าหมายที่เชื่อถเป็นตาเดียวไม่มีอะไรแล้วลุกขึ้นมานั่งทําไมเพราะฉันลืมตา ม, มาเห็นก็เห็นแก่กับระพินกําลังมีเรื่องหารือกันอยู่ไม่ใช่เหรอมันหนาวจนนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาคุยกับระพินเขานอนซะเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปกติ ชา ย, ยันกลับมาเรียกกว่าตาสำรวจไปยังเงาสรุอบริเวณแคมรอบด้าน mm hmm. ก็รู้สึกว่าอะไรต่ออะไรจะอยู่ในสภาพราบคาบปกติดีตามที่เชื่ถาว่า mm hmm. เกิดกับจนันอันเป็นยามในขณะนี้ mm hmm. ก็นั่งห่อตัวผิงไฟอยู่คนละกองนอกนั้นก็ขดตัวริน mm hmm. ายกันอยู่เป็นวงรอบๆมีดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มของคณะนายจ้างซึ่งยังนอนนิ่งอยู่ในลักษณะหลับสนิทมันเป็นคืนที่เย็นเหลือเกิน เสียงแม่มสาวพึมพำห่อไหล่สะท้านกลางวันร้อนเหมือนจะดับจิตกลางคืนก็หนาวจนตัวแข็งไปหมดเมื่อไหรเราจะพ้นจากนารกดํานี่สักทีแล้วหล่อนก็ลุกขึ้นเดินออกจากใต้เพิงไปนั่งเอาเมืองอ่งไฟในกองที่ก่อไว้ใกล้กับด้านศรีรษะคนอื่นๆก็คลางสั่นกระทบกันอยู่เป็นระยะแต่หนักได้ดีว่าลงท้เลือดเมืองหนาวของมาเรียฮอฟมันปริป่าอุทานออกมาเช่นนี้อุณหภูมิมันจะต้องลดลงสู่ขีดต่ําทารุนยิ่ง เพราะทุกคนตื่นขึ้นมาหมดเหลือเพียงดาเรนคนเดียวในกลุ่มอันดูผิดปกติไปชัยยันชักเอะใจเพราะตามปกติแล้วราชาสกุลสาวเป็นคนนอนไวที่สุดชัยยันเอื้อมมือไปเขย่าปลุกเบาๆพร้อมกับเรียกชื่อทันทีนั่นเอง ร่างอันนอนสงบเนิ่งของดาวรดนก็ลุกพูดพลาดขึ้นมาด้วยอาการผวาหล่อนลืมตากว้างจ้องพี่ชายกับเพื่อนซึ่งนั่งขนาดอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าตื่นตะนกอะไรกันนี่เกิดอะไรขึ้นหญิงสาวถามโดยเร็วเห็นนอนหลับเป็นตายผิดสังเกตไปก็ลองปลุกขึ้นมาอย่างนั้นเองพวกเราสีคนตื่นขึ้นมาหมดแต่เธอยังนอนหลับไม่รู้สึกเลยเลยสงสัยดาวเดนยกมือขึ้นลูบขยี้ใบหน้าอาการยังมึนๆงงๆสำรวจดูรอบตัวแล้วหันไปทางพี่ชายซึ่งนั่งจ้องอยู่เงียบๆ พวกเราพากันตื่นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่แล้วทาไมถึงลุกขึ้นมานั่งกันหมดก็ก่อนหน้าชายยันจะปุกน้อยครู่เดียวเท่านั้นหลับสนิท ด, ดีเหรอพี่ชายถามค่ะหลับไม่รู้เรื่องเลยคืนนี้เพลียเหลือเกินแต่น้อยฝันแปลกอีกแล้วหล่อนดูเหมือนจะรำพึงกับตัวเองขมวดคิ้วครุ่นคิดมือทั้งสองประคองแก้มไว้ในลักษณะนั่งชันเขา่าฝันอะไร